ถ้าเธอต้องการจะไปด้วยจริงๆและผินก็ต้องเอาเธอไปอยู่วันยังข้ามอย่ามัวแต่คอยคิดหาเรื่องอยู่เลยนะย่าชายยันหันมาดุเบาๆพร้อมกับจุก ป, ปากหญิงสาวตาประหลับปเปลือกคว่างถ้วยพระสติกสำหรับกินกาแฟกระเด็นไปอย่างหงุดหงิดฮึชาติก่อนนี้คงจะเคยเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาชาตินี้ถึงมาพบกันเข้าอีกจนได้ฝากไว้ก่อนเถอะไม่ถึงทีบ้างก็แล้วไปหล่อนบ่นอาคาตอยู่ในลาคอ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 แบบศูนย์เปิดกระบอกงามกระทัดรัดวางผ้าอยู่บนตักนั่งสู่บุหรีหน้าบอกบุญไม่รับอยู่พอมองเห็นเขาโผล่กลับมาก็ทำเป็นยกปืนตรวจ ด, ดูเปิดสลักล็อกถอกลูกเกลือนออกแล้วยกขึ้นทำเป็นส่องดูเกลียวในลากล้องปากกระบอกปืนหันไปทางระพินและใบหน้าของพรานใหญ่ปรากฏอยู่ในรูลากล้องปืนพอดี ราวกับว่าหล่อนจะใช้ลากล้องของปืนกระบอกนั้นแทนกล้องสองทางไกลพี่ชายหันมาเห็นเข้าก็ร้องดุมาเสียงต่ําๆน้อยแล้วกันทําไมเอาปืนส่องไปทางรพินอย่างนั้นดาดินยิ้มเครียดๆเดปล่าหรอกค่ะน้อยจะส่องดุเกลียวในลากล้องพี่ใหญ่ไม่เห็นหรือคะน้อยถอดลูกเลื่อนออกแล้วส่องดุเกลียวลํากล้องก็ทําไมจะต้องส่องไปทางคนอย่างนั้นด้วยน่าเกลียดจริง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 จอมพรานถามยิ้มยิ้มเหมือนเลียงผามากกว่าหล่อนตอบหน้าตาเฉยลดปืนลงสอดลูกเลื่องกลับเข้าที่แล้วยัดซิลเวอร์ทิปน้ำหนัก300เกรนบรรจุเข้าซองกระสุนทีระนัดช้าช้าตายังคงมองศบตาเขาอยู่เช่นนั้นพอกระสุนเต็มซองในตัวปืนก็กระแทกลูกเลื่อนโดยแรงส่งกระสุนนัดหนึ่งขึ้นประจำลากล้องเสียงดังกล่วมพานใหญ่กลืนน้าลายลงคอฝืด ดาลินลุกขึ้นยืนกล่าวต่อมาความจริงปืนจุด3 7มห้ามันก็เป็นปืนขนาดกลางเท่านั้นยังไม่จัดเข้าขั้นขนาดใหญ่อะไรนะักในบรรดาปืนราศาสตว์ของโลกแต่นั่นแหละฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าฉันจะแบกหรือว่ายิงมันได้ไหวไหมไหนคุณลองไปยืนค่า บ, บุหรี่อยู่ที่โคนต้นมะข่านั้นหน่อยซิถ้าฉันเด็ดบุหรี่คุณไม่ขาดฉันก็จะยอมเฝ้าแคมป์อยู่ที่นี่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 ว่าน้อยนี่เป็นยังไงนะชัยยันร้องมาหน้ายุยยี่อย่างนำคาญใจพบห่าสินี่ถ้าเป็นผู้ชายต่อผู้ชายด้วยกันละก้าฉันจะให้วางมวยกับระพินเสียให้เข็ดจะเป็นกรรมการให้เองดาลินหัวเราะกระด้างกระด้างยักไกลถึงว่าสิถึงเป็นผู้หญิงอย่างนี้ก็ยังอยากจะท้าต่อยด้วยเลยกลวแต่ว่าถ้าท้าออกไปแล้วจะไม่สู้เท่านั้นระพินพนมมือขึ้นไหวร่อนท่วมศีรษะ ผมกลัวคุณหญิงแล้วครับหล่อนตวัดหางตาผ่านหน้าเขาอย่างน่ากลัวแล้วยกมือขึ้นประทับเร็งไปยังต้นมะข่าต้นนั้นระพินหมุนตัวอย่างรวดเร็วเบี่ยงมายืนอยู่ทางด้านหลังของหล่อนทุกคนพากันมองไปยังทิศทางที่หญิงสาวเล็งเห็นงูเขียวตัวหนึ่งพันอยู่กับกิ่งแห้งเล็กๆ ก, ก, กำลังห้อยหัวลงมาระยะมันห่างออกไปประมาณ30เมตรพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายพากันคอยจ้องมองเป็นตาเดียว ใครจะวางเดิมพันเท่าไหร่สำหรับงูสำหรับหัวงูเขียวตัวนั้นดาลินพูดขึ้นลอยๆลดปืนจากการประทับจริงจังลงแต่ตายังคงจับนิ่งอยู่ที่เป้าหมายอวดดีจริงน้อยจุดสามเจ็ดห้าแม็กนัมนาไม่ใช่ลูกกรดชัยยันขัดคออย่างไม่ศรัทธาหล่อนยิ้มขุนคุณเฮน้าจุดสามเจ็ดห้านี่แหละว่ามาเลยถ้าอยากพ น, นัน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 สะบักแพลงหรือถูกมันตกเอาคางหักไปก็ได้แต่ฉันก็จะยิงละและเป้าหมายก็คือหัวงูเขียวนั้นไอ้คันจะยิงท้ารองดูเฉยเฉยมันก็ใช่ที่มันต้องมีการพนันขันต่อกันบ้างตลอดเวลาฉันถูกดูหมินดูแคลนนักรวมทั้งถูกข่มขู่นานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคุณคุณไม่กล้าพนันกับฉันรือโทผมไปดูหมินดูแคลนหรือว่าข่มขู่อะไรคุณหญิงกันครับ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 แล้วยอมอยู่เฝ้าแคมป์โดยไม่ตามไปด้วยแต่ฉันยิงถูกไม่เอาอะไรมากหรอกคุณไม่ต้องใช้ลูกหาบคนไหนให้ทำหน้าที่ตักน้ำขึ้นไหมฉันอาบที่แคมป์นี่แต่คุณเองนั่นแหละเป็นคนไปหิ้วน้าไหมฉันอาบทุกเช้าเย็นจนกว่าเราจะย้ายแคมป์จากที่นี่ตกลงไหมระพินอมยิม้มโทษคุณหญิงครับถ้าคุณหญิงต้องการจะอาบน้าโดยฝีมือหิ้วหรือหาบของผม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 คือคุณชายกับคุณชายยันถ้าคุณหญิงยิงถูกเราได้สามหมื่นมาแบ่งกันคนึ่งหมื่นห้าแต่ถ้าคุณหญิงยิงผิดคุณหญิงเสียเพียงสองพันบาทผมช่วยออกให้ยี่สบบาทอย่างนี้ดีไหมครับเชิดาชายยันหัวเราะคืนดาดินค้อนขวับอีกครั้งปั้นหน้าบึง้งแต่ก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้เช่นกันในคำพูดของเขาดูร่อนจะคลายความแค้นเคืองลงบ้าง บนออกมาบอกว่าบว่าบ้าแล้วก็ตวัดปืนขึ้นประทับบ่าอีกครั้งโดยไม่พูดอะไรอีกล่อนเลงเพียงครึ่งเดียวของช่วงระยะอึดใจจุดสจากนั้น F.N. กระบอกงามในมือก็แผดกึกกล้องสะท้านไปทั้งบริเวณแคมป์ภาพที่ทุกคนเห็นงูเขียวตัวนั้นหัวขาดกระเด็นหายไปในพริบตามันแกว่งตรบคลายตัวเองจากที่พันกิ่งไม้ไว้สองสรอบโดยแรงเหวี่ยง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 และอยู่ในชั้นเยี่ยมซึ่งมันก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไรนักสำหรับคนที่คุ้นเคยชำนาญเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วอย่างหล่อนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมระพินก็เริ่มต้นออกนำทางขอมอบหน้าที่ให้เกิดกับเสรอรอยู่ควบคุมแคมป์คงให้จันและแง่ทรายเท่านั้นที่จะติดตามไปด้วยโดยให้เหตุผลว่าการไปกันมากคนสาหรับการแกะรอยย่อมปราประโยชน์และที่เอาจันกับแง่ทรายไปด้วยนั้น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 ผ่านไปในระหว่างป่าสักระยางลงสู่ที่ราดต่ําซึ่งอับชื้นแสงตะวันสองรอดใบไม้ลงมองเห็นเพียงร่างๆเงียบสงัดวังเวงปราศจากเสียงใดๆทั้งสิ้นเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงให้หลังไม่มีอะไรแผ่วผ่านมาเห็นเลยแม้แต่นกสักตัวละพินเดินนําอยู่เบื้องหน้าหนีบไรเฟินไว้ในซ้อแขนปากกระบอกกดต่ําดูไม่จริงจังหรือมีท่าทีเตรียมพร้อมอะไรนะัก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 ล่อนเดินอยู่ตรงกลางขนาบโดยชายยันและจันทรมีแง่สายคุมอยู่ท้ายขบวนเช่นเคยส่วนเชษฐาเดินเคียงคู่ไปกับระพินติดตดพรานใหญ่มาหยุดยืนเดี๋ยวซ้ายแรงขวาเหมือนจะคำนวณอะไรอยู่ครู่ก็บ่ายหน้าขึ้นสู่ด้านเหนือหนทางชันเหมือนจะเลี่ยนไปตามไหล่เขาตัดลำห้วยแล้งแคบๆอีกตอนหนึ่งแล้วก็ผ่านมาถึงหนองน้งําเล็กๆในระหว่างโขดหินกลุ่มใหญ่ตรงเข้าไปสํารวจดูรอยที่ย่ําเปะอยู่ริมน้อง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 ใบหน้าของหลอนแดงกำเหงื่อออกชุ่มโชกเสื้อแรดลัดเนื้อเข้าไปจนกระทั่งเห็นส่วนชูชันของสวงอกที่พุ่งต่า ง, งานออกมาได้ชัดวันนี้เป็นวันแรกที่หลอนเดินมากที่สุดนับแต่ออกเดินทางมาพรานใหญ่ชำเลืองมองดูด้วยหางตาพลางซ่อนยิ้มเขารู้ว่าหลอนกำลังเหนื่อยและอ่อนแรงเต็มทีเว้นไวแต่จะไม่กล้าปีปากพูดออกมาเท่านั้นช่างมันเอถอะเชษฐาพูด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 ไม่ต้องมาสงสารชั้นถึงไหนก็ถึงกันทาไมถึงชอบดูถูกกันนักนะจ้าจ้าจ้าจ้ากลัวแล้วก็ <c oughs> บอกอยู่นี่ยังไงว่าเก่งทายาทไม่ได้ดูถูกสักหน่อย <c oughs> ทั้งหมดออกเดินอีกครั้งยึดด่านเก่าสายใหญ่มุ่งขึ้นสู่เขาอีกลูกหนึ่งซึ่งสูงกว่าลูกแรกเสียงชนีโหยอยู่บนปลายไม้เหนือศีรษะริบๆนกยูงก็เริ่มร้องแววมาให้ได้ยินเสียงและบินเรียอยู่ตามยอดอยาง บนต้นหลุมพ่อใหญ่ที่อยู่ในระดับต่ำลงไปยังหุบเบื้องล่างเงาดำๆของหมีควายสองตัวตายงุ่มงามอยู่บนาคาคบสูงแต่ระยะห่างออกไปมากทัศนียภาพของป่าในตอนนี้งามน่าดูกว่าทุกตอนที่ผ่านมาแล้วครั้นแล้วในทันทีนั่นเองระพินซึ่งเดินนำอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักกึกทุกคนพลอยหยุดตามไปด้วยอะไรเชษฐากระซิบถามเบาที่สุด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 หม่อมละชวงหญิงดาลินหน้าเสียเล็กน้อยการนำของระพินนั้นความรู้สึกของหล่อนบอกกับตนเองว่าค่อนข้างจะผาดโผนด้านโด่นเกินไปแล้วราวกับจะแกล้งหรือทดสอบหล่อนแต่หล่อนก็ไม่ยอมปลีบปลากหรือขอความช่วยเหลือหล่อนสันศรีรษะปฏิเสธกัดฟันพยายามช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มที่ครั้งหรือสองครั้งที่หล่อนจับรากไม้พลาดและถลายลื่นลงไปตามทางอันราดชันนั้น แต่แง่ซ า, ายผู้ตายร่วงหน้าถัดจากห่อนลงไปคว้าตัวหญิงสาวช่วยพยุงไว้ได้ทันตะเข็บกางเกงราศัตริ์ที่ติดซิบรัดรูปทรงของหล่อนแตกปริออกตรงบริเวณตะโพกประมาณ3มนิ้วทําให้เห็นซับในและผิวเนื้ออันขาวผ่องราวกับท่อนงาดารินร้องออกมาเบาๆหลอนเริ่มหงุดหงิดเดือดดาลและพินอยู่ในใจและยิ่งโมโหมากขึ้นเมื่อเหลือบลงไปเห็นพรานใหญ่ยืนตีหน้าตายรอคอยอยู่ก่อนแล้วที่ก้อนหินใหญ่เบื้องล่าง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 แล้วปาดแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่ออันชุ่มอยู่บนใบหน้าและขนตาราวกับคนอาบน้ำมายังไม่ได้เช็ดตัวเช็ฐถากับชายยันเองก็เหนื่อยพอดูเมื่อต่างลงมาถึงที่ซึ่งละพินหยุดรอคอยอยู่แต่แล้วทุกคนก็ลืมเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งกลายมาเป็นความตื่นเต้นในทันทีเมื่อพรานใหญ่บอกว่าพวกมันพา ก, กันมานอนอยู่ในโตกนี่เองครับพร้อมกับพูดเขานาไปที่รานเกลี้ยงราบเรียบตอนหนึ่ง ราวกับจะมีใครมาถางไว้อยู่ในระหว่างดินโป่งและซุ้มคอยป่าที่ขึ้นทึบครอบคุมอากาศเบื้องบนไว้เป็นหลังคาธรรมชาติที่นั่นรอยเท้ารอยๆลงนอนเกลือกเต็มไปหมดสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนที่สุดก็คือเศษของใบไม้บางชนิดที่ร่นอยู่เกลื่อนกราดและฟองน้ําลายที่ติดเปียกอยู่กับพื้นจันกับแง่ทรา ย, ายก้มลงสำรวจอย่างถี่ถ้วนซุดตัวโรงแตะคลำกับพื้นดินบริเวณ น, นั้นแล้วเงยหน้าขึ้นโอ้โห ไอตัวมันยังอุ่นอยู่เลยครับนายดินบริเวณนั้นแห้งผ่าเพราะแรงฝนแต่ถึงกระนั้นก็ตามน้ำหนักตัวอันมากมายังปรากฏรอยเท้าไว้ให้พอสังเกตเห็นได้กระทิงฝูงนั้นไม่ต่ำกว่าห้าตัวเพิ่งจะพระออกจากที่นอนไปอย่างช้าที่สุดก็เห็นจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงมานี้เองจะเป็นเพราะได้กลิ่นคนหรือเพราะการเคลื่อนย้ายตามปกติของมันก็ยังเดาไม่ถูก มันเข้ามานอนอยู่ในโตรกนี้โดยผ่านเข้ามาทางซ้อขบเขาด้านตะวันตกและขาไปมันตะกายไต่ขึ้นไปตามทางอันสูงชันด้านใต้ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับที่รพินนำทางลงมารอยดินแดงปนหินกรวดทรายที่ถล่มล่วงลงมาเพราะการปีนตะกุยของมันเห็นได้ชัดแบบนี้ก็มีหวังไม่เหนื่อยเปล่าแล้วระพินว่าแต่ว่ามันได้กินเราหรือเปล่าเท่านั้นตอนที่ผ่าจากที่นี่ไปเชษฐา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 พลานใหญ่หันไปโบกมือกับจัน์พลานพืชเมืองผู้มีประสาทชำนาญในการฟังเสียงและดมกลิ่นไม่ผิดอะไรกับม้าปรัดหาวก็ออกนำตายขึ้นไปในทันทีนั้นโดยมีรพินติดหลังไปเป็นคนที่สองดารินเชษฐาและชา ย, ยานตามลำดับโดยมีแง่ทายระหวังหลังเช่นเดิมเมื่อทุกคนขึ้นมาพ้นจากโตร ก, ก็ถึงป่าศัก์อนาทึบกิ่งใบปกคลุมพื้นดินบริเวณ น, นั้นมืดคลึมมองไม่ผิดอะไรกับอยู่ในถ้ำใหญ่ ไม่เห็นแสงตะวันอากาศอับไปด้วยกลิ่นใบไม้แห้งและไอดินสบัดร้อนสบัดหนาวอย่างไรพิกลเสียงฝูงข้างขู่ตะข้ออยู่บนยอดไม้สูงลิฟมองไม่เห็นตัวจันผู้นำไปเบื้องหน้าลงคลานสีเท้ากับพื้นประเดี๋ยวก็ทำจมูกฟุตฟิสสูดกลิ่นและหยุดนิ่งเหมือนจะสะดับตับฟังเสียงประเดี๋ยวก็ก้มลงเอาหูแนบกับพื้นดินสักครั้งทุกคนเว้นระยะห่างพอประมาณและคืบตามไปอย่างสงบ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 แต่จ้องตาเขมิงมายังระพินอย่า ง, ยงเตรียมสู้ชนิดไม่ยอมปล่อยเยื่อลิ้นสองแฉกพุ่งแปรปราปราวกับสายฟ้าแลบในเหวนรกเขาเคลื่อนเข้าไปจนได้ระยะแล้วจ่วงฟันสุดแรงเกิดเสียงชั่วสนัน่นเจ้า ง, งูรามร้ายหัวปัดปลายพร้อมกับเลือดที่พุ่งกระฉุดและเสียงฟู่ออกมาจากปากที่อ้ากว้างระพินกัะหน่ำฟันอีกครั้งวงรัดของมันขยายรวมออกมาอย่างแช่มช้าชายยันจึงได้สติอีกครั้ง หันไปแย่งมีดมาจากแง่ทรายผู้ซึ่งกําลังถะลันเข้ามาแล้วก็ตรงเข้าช่วยระพินเสียเองไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเจ้า ง, งูหรามก็หมดฤทธิ์ถูกบั่นเป็นท่อนๆกองยาวเหยียดอยู่ใต้ต้นไม้ร่มนั่นเองเชี่ถากับแง่ทรายตรงเข้าประคองจันลุกขึ้นและซักถามาการโดยเร็วพ่านพื้นเมืองของระพินไม่ได้รับอันตรายเช่นไรพอยืนขึ้นได้ก็ยิ้มแห้งๆเหตุการณ์สยดสยองจวนเจียนต่อชีวิตของเขาไม่หยกยกนี้